เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาพระธรรมำคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเรียนรู้ว่าเรามาเกิดกันได้อย่างไรและมาเกิดแล้วเราควรจะทำอะไรกัน นี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราที่สุดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับตัวเรายิ่งกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรามาเกิดกันเมื่อเรามาเกิดแล้วเราควรจะมาทำอะไรกัน พระพุทธศาสนามีคำตอบให้คำถามทั้งสองข้อนี้ข้อที่หนึ่งเรามาเกิดกันได้อย่างไรคำตอบก็คือเราถูกหลอกให้มาเกิดกันนั่นเองเราถูกหลอกด้วยความหลงคือโมหะ ด้วยอวิชชาความไม่รู้ความจริงว่าการมาเกิดมันเป็นทุกข์นไม่ใช่เป็นสุขแต่โมหะอาวิชชามันจะหลอกให้เราคิดว่าการมาเกิดจะมีความสุขเพราะจะมีลาบยศสัรละเสริญ มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้เราได้หามาครอบครองกันเมื่อเราได้ครอบครองลาบยศสรรเสริญได้สัมผัสได้เสพกับรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภพเราก็จะมีความสุขกันเราจึงอยากมาเกิดกัน อยากมาหาความสุขจากรูปเสียงเกล็่นสดต่างๆอยากจะมาเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะมามีลาบยศสรรเสริญแต่เราหารู้ไม่ว่าความสุขที่เราได้รับจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิก่นรสโผฏฐพะนี้มันเป็นความสุขแบบอนิจจังทุกขังอนัตตานะความสุขแบบอนิจจังก็คือไม่เที่ยงนะเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วก็มีดับนะพอเวลาความสุขดับไปมันก็เป็นทุกขังขึ้นมานะ พอมันเป็นอะไรที่เป็นอนิจจังมันก็จะเป็นทุกขังขึ้นมามันจะทำให้เราทุกข์กันพวกเราทุกข์กันร้องหม่มร้องไห้กันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะตัวอนิจจังนี้เองความไม่เที่ยงแท้แน่นอนการเกิดแล้วก็มีการตายเกิดแล้วก็มีการดับ จเจริญแล้วก็มีการเสื่อมนี่คือความสุขที่เราถูกหลอกให้มาหากันโดยคิดว่าจะเป็นความสุขแบบนิจังสุขขังอัตตาเรามักจะคิดว่าความสุขที่เราได้จะอยู่กับเราไปตลอดจะเป็นของเราไปตลอดจะให้ความสุขกับเราไปตลอด แต่ความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นความสุขแบบอนิจจังทุกขังอนัตตาพอมันเสื่อมมันหมดไปใจเราก็ทุกข์ขึ้นมามันไม่อยู่กับเรามันจากเราไปมันไม่ได้เป็นของเราพอมันไม่เป็นของเราเราก็ร้องหอบร้องไห้ เช่นแต่แฟนเราไปเป็นแฟนของคนอื่นเราก็ร้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเมื่อก่อนเป็นของเราแล้ววันดีคืนดีเขาเปลี่ยนไปเขากลับไปรักไปชอบอีกคนหนึ่งไปเป็นแฟนอีกคนหนึ่งเราก็เสีย อ, อกเสียใจร้องหม่มร้องไห้กันอ่นี่คือ เหตุที่พาให้เรามาเกิดกันพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเกิดจากโมหะอาวิชชาอาวิชชาปัจจยาสังขาราอาวิชชาเป็นผู้หลอกให้จิตคิดปรุงแต่งว่าถ้าได้มาครอบครองลาบยุทธสรตเสริญได้ครอบครองรูปเสียงเกินโลดพุทธพาชนิดต่างๆ แล้วจะทำให้เกิดมีความสุขขึ้นมาแต่มันไม่ได้บอกว่าเป็นความสุขชั่วคราวเราไปคิดกันเองว่าเป็นความสุขแบบถาวรเราชอบคิดว่าเราได้อะไรมาแล้วก็จะให้ความสุขกับเราไปตลอดภาพยนตร์แต่ละเรื่องละครแต่ละเรื่องจะจบกันอย่าง อย่างเป็นสุขไปตลอดพระเอกกับนางเอกในที่สุดก็ได้อยู่ร่วมกันะละครก็จบลงตอนนั้นจบตอนที่พระเอกกับนางเอกได้พบกันได้อยู่ร่วมกันไปตลอดมีความสุขไปตลอดแต่ถ้ามีภาคสองขึ้นมาเมื่อไหร่ถึงจะเห็นว่าความสุขที่พระเอกนางเอกได้นั้น เดี๋ยวก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเมื่อพระเอกหรือนังเอกกลับไปชอบคนอื่นเขา้ากลับไปหนีไปอยู่ครอบคนอื่นขึ้นมาความทุกข์ที่ได้ความสุขที่ได้แบบตลอดก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแบบตลอดนี่คืออนนี้จะ สังขารามันคิดไม่เป็นสังขารคิดไปในทางนิจจสุขขังอัตตาจิตใจของพวกเราทุกคนชอบคิดแบบนี้กันคิดว่าเอไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีอ้นั่นก็เป็นสุขไอ้นี่ก็เป็นสุขแล้วก็เป็นนิจจังเป็นทาวรเป็นอัตตาเป็นของเราเนี่ยพวกเราถูกกิเลส ถูกโมหะอาวิชชาหลอกให้เราคิดว่าลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆในโลกนี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาเราจึงกล้าวิ่งเข้าหามันกันแย่งกันเข้าไปหามันแย่งกันหาลาบยศสรรเสริญแย่งกันหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเพราะเราถูกหลอก เรามองไม่เห็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสุขเราไม่เห็นว่ามันเป็นเหมือนยาขมเคลือบน้ําตาลไม่เห็นว่ามันเป็นความทุกข์เป็นความสุขเคลือบความทุกข์เท่านั้นเองเป็นความสุขผิวบางๆที่จะต้องมีวันละลายหายไปพอความสุขนั้นละลายหายไป ความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมานานๆจะมีคนที่คิดตรงกันข้ามกับพวกเรามาเกิดมาสอนพวกเราก็คือพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้เองพระพุทธเจ้านี้ฉลาดพอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายรู้ทันทีว่าอันนี้มันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตา โลกนี้เป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะได้ความสุขมามากน้อยเพียงไรจะเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเป็นพระราชามหากษัตริย์มหาจักรพรรดิเป็นผู้ที่มีความเก่งกาจในการกีฬาในการแสดงในในแผนกแขนงอะไรต่างๆ นับเหรียญรางวัลต่างๆก็จะต้องเจอกับความทุกข์กันทุกค น, น, นเมื่อร่างกายมันเข้าสู่ความแก่ความเจ็บความตายนะคพระพุทธเจ้าทรงฉลาดทรงเห็นว่าการหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องสิ้นสุดลงเมื่อมันสิ้นสุดลงความทุกข์ก็จะเข้ามาทันทีพระองค์จึงตัดสินพระทยัยสะละราชสมบัติออกบวชเพื่อหาทางออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้จนในที่สุดก็ได้ทรงตัดสรุ ทบทางที่จะพาให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอีกต่อไปจึงได้คำตอบข้อที่สองของพวกเราว่าพวกเรามาเกิดมาแล้วควรจะมาทำอะไรกันเมื่อเกิดมาแล้วเมื่อได้เรียนรู้แล้วว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์เราก็ต้องหยุดการเกิดให้ได้นั่นเอง เพราะถ้าเราไม่หยุดมันไม่หยุดเองการที่เรามาเกิดในโลกนี้มันเป็นเหมือนอก้อนหินที่ไหลลงจากภูเขามันจะไม่หยุดมันจะเก้งลงไปเรื่อยๆเหมือนรถที่เราปล่อยให้มันไหลลงตามถนนลงเขามันจะไม่หยุดเองมันจะหยุดต่อเมื่อมันตกเหว ความนะหรือไปชนกับอะไรที่ขวางทางเท่านั้นเหมือนถึงจะหยุดได้นอกจากนั้นแล้วมันจะไม่มีวันหยุดนะันใดสิ่งที่ผลักดันให้จิตใจของพวกเรามาเกิดกันอยู่เรื่อยๆนี้มันก็จะไม่ หายไปเองมันจะไม่หมดไปเองนะมันจะผลักให้เรามาเกิดกันอยู่เรื่อยๆก็คือโมหะาอาวิชานี่ความหลงความไม่รู้ความจริงเราต้องมาสร้างความจริงมาสอนความจริงให้กับจิตใจสอนให้รู้ว่ า, เ, าเรากำลังหลงทางกัน เรากำลังเดินเข้าหากลองไฟกันเราไม่ได้เดินออกจากกลองไฟเรากลับเดินเข้าหากลองไฟเพราะกองไฟที่เราเห็นเรากลับไปเห็นว่ามันเป็นกองสุกกันคิดว่าเข้าไปในกลองไฟนี้แล้วจะมีความสุขกันเพราะเราไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดที่จะเห็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ ภายใต้ความสุขที่เป็นผิวบางๆนี่จึงต้องมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาค้นพบความจริงอันนี้แล้วมาสอนมาบอกให้พวกเราเลิกหาความสุขแบบนี้กัน ừ. แล้วให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิด ไม่ต้องกลับมาหาความสุขแบบเป็นที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะพระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบความสุขแบบที่เป็นนิจจังสุขขังอัตานะจากการที่ได้สะละราชสมบัติแล้วออกบวชแล้วก็ไปศึกษากับนัก บ, บวชต่างๆจนในที่สุดก็ได้ทรงค้นพบความสุขอีกแบบหนึ่ง ความสุขที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาแต่ก่อนที่จะได้พบกับความสุขกร น, นีในเบื้องต้นก็ได้พบแต่ความสุขที่ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่คือไม่มีใครรู้วิธีที่จะเข้าถึงความสุขแบบสุขขังแบบนิจจังสุขขังอัตตา ถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายคือความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยการเข้าสมาธิเข้าฌานความสุขแบบสมาธิแบบเข้าฌานนี้ก็ยังเป็นความสุขชั่วคราวอยู่เพราะไม่สามารถที่จะอยู่ในฌานไปได้ตลอดไม่สามารถอยู่ในสมาธิไปได้ตลอด เพราะมีร่างกายที่จะคอยดึงให้จิตออกจากฌานออกจากสมาธิเพื่อที่จะมาดูแลร่างกายร่างกายต้องการดูแลต้องให้น้ำให้อาหารต้องมีการชําระทําความสะอาดก็จําเป็นที่จะต้องออกจากสมาธิออกมาจากฌานเป็นพักๆเป็นช่วงๆ เพื่อมาดูแลร่างกายอพอออกจากสมาธิมาความสุขที่ได้จากสมาธิก็หายไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาความทุกข์ที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็เกิดขึ้นมาไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ใจสงบมีความสุขทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิ หลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วพระพุทธเจ้าพยายามไปส่อแสวงหาครูบาอาจารย์ต่างๆก็ไม่มีใครรู้รู้เพียงแต่วิธีทาใจให้มีความสุขในขณะเข้าสมาธิเข้าฌานเท่านั้นพอเวลาออกจากสมาธิออกจากฌานความสุขนั้นก็หายไปชั่วคราว ความไม่สบายใจก็กลับเข้ามาได้ mm hmm. พระองค์ก็เลยต้องไปศึกษาค้นคว้าหาด้วยตนเอง mm hmm. จนในที่สุดก็ได้ส่งคนพบวิธีที่จะทำให้ความสงบที่ได้จากสมาธิคงอยู่ต่อไปหลังจากที่ออกจากสมาธิมา mm hmm. พอส่งคนพบว่าอะไรเป็นตัวที่มาทําลายความสงบของสมาธิเวลาออกจากสมาธิตัวที่ทําลายก็คือความอยากต่างๆนี่ความอยากเจ็บรูปเสียงกลิ่นรสความอยากได้ลาบยศสละเสริญความอยากนนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นตัวที่มาทําให้ ความสงบของสมาธิหายไปเราส่งค้นพบวิธีที่จะทําลายความอยากเหล่านี้ด้วยการเห็นใจรักนี้เองเห็นว่าสิ่งที่ความอยากอยากได้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลถ้หรือลาบยศสรรเสริญหรือร่างกายที่ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายนี้ เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งต่างๆที่ความอยากอยากได้ไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงที่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปพอหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันที ถ้าเห็นใจรักในสิ่งที่อยากได้ก็จะทำให้ไม่อยากได้ขึ้นมาเพราะไม่มีใครอยากได้ความทุกข์ถ้าเห็นว่าสิ่งที่อยากได้จะต้องกลายเป็นความทุกข์ก็ไม่เอาดีกว่านี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้สงค้นพบจึงสามารถทำให้จิตสงบได้ หลังจากที่ออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากก็ท่งใช้ปัญญาสอนจิตทันทีว่าสิ่งที่อยากมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอรู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจไม่อยากดีกว่าอยากแล้วทุกได้มาแล้วทุกอยากไปทำไมก็เลยสามารถ ระงับความอยากที่มาทำลายความสงบได้พอความอยากที่จะมาทำลายความสงบถูกกำจัดไปความสงบก็อยู่ต่อไปก็เลยได้ความสุขแบบถาวรได้ความสงบแบบถาวรความสงบที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาเป็นความสุขที่เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขตลอดเวลา เป็นความสุขของเราไม่มีใครจะสามารถมาพัดพลา ค, ความสุขอันนี้จากเราไปได้อีกต่อไปหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะเมื่อมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากในโลกนี้แล้วจะกลับมาหามันทําไมความสุขในโลกนี้นอกจาก ที่มันสู้ความสุขในใจไม่ได้แล้วมันยังเป็นความทุกข์อีกด้วยเพราะมันไม่เที่ยงนั่นเองถ้ากลับมาหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเดี๋ยวใจก็ต้องเจอกับความทุกข์แล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของร่างกายเพราะร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย การจะหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ต้องมีร่างกายก็ต้องมาเกิดมามีร่างกายแล้วก็พอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายอีกงั้นการมาเกิดจึงเป็นการมาหาความทุกข์ถึงแม้ว่าจะได้ความสุขก็เป็นความสุขแบบชั่วคราว ความสุขแบบควันไฟความสุขที่ไม่จีรังถาวรความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปจึงไม่ควรที่จะกลับมาเกิดกันและการจะไม่กลับมาเกิดได้ก็เพราะว่าได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวร ความสุขที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาคือความสุขที่เกิดจากการเจริญสติและเจริญปัญญาขั้นที่หนึ่งจเจริญความสุขด้วยสติทำใจให้สงบให้เข้าฌานให้เข้าสมาธิได้เราก็จะได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบ ที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเพียงแต่ว่ามันยังเป็นความสุขแบบชั่วคราวอยู่พอออกจากสมาธิมาถ้าไม่มีปัญญามาคอยรักษาคุ้มครองปัญญานี่เป็นเหมือนรอปภเวลาคนใหญ่คนโตไปไหนนี่ต้องมีรอป ร, รอปภเพราะมีคน ชอบมาคอยทำร้ายคนใหญ่คนโตคนร่ำคนรวยคนรวยเขาก็อยากจะจับลักตัวเอาไปเรียกค่าถ่ายก็จำเป็นที่จะต้องมีรอปภคอยคุ้มครองคอยป้องกันจิตใจที่สงบก็เป็นของมีค่าที่กิเลสตัณหาชอบอยากจะมาทำลายมากำจัด จิตที่สงบนี้จึงต้องมีรอปภมีผู้รักษาความปลอดภัยคือปัญญาปัญญาคือการเห็นใจรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาจะมาหลอกให้ไปอยากได้พออยากได้ลาบยศสละเสริญอยากได้รูปเสียงเกิดแล้ รอปพก็จะมารายงานว่าเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังมรัตตาพอได้รับการรายงานปั๊บเนี่ยก็หลบเลยอย่าไปอย่าไปหากิเลสกิเลสจะมาพบอย่าให้พบความอยากมาหาอย่าต้อนรับถ้ารับแล้วเดี๋ยวเขาจะหลอกไปหลอกให้ไปทุกข์นีเกินหน้าที่ของปัญญา หลังจากที่ได้สมาธิแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนสมาธิที่เป็นความสงบแบบชั่วครั้งชั่วคราวให้เป็นความสงบอย่างถาวรหลังจากที่ออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้ปัญญาเป็นผู้รักษาเป็นผู้ป้องกัน ừ, พอมีกิเลสมามีความอยากเกิดขึ้นปับ๊บปัญญาต้องมาทันทีว่าอยากไปทาไม จำเป็นหรือไม่ถ้าจำเป็นไม่ถือว่าเป็นความอยากเช่ <S <S นถ้าหิวน้ำไม่มีน้ำดื่มดื่มน้ำได้น้ำนี้จำเป็นต่อร่างกายแต่ถ้าหิวกาแฟนี้จำเป็นหรือไม่มกาแฟนี้ไม่จำเป็นกับร่างกายร่างกายมีหรือไม่มีกาแฟไม่เดือดร้อนแต่ร่างกายต้องมีน้ำ ถ้าหิวน้ำก็ดื่มน้ำอย่ามาอ้างว่าหิวน้ำแล้วต้องดื่มน้ำกาแฟอันนี้มันดื่มสองอย่างดื่มน้ำด้วยดื่มกาแฟด้วยน้ำกาแฟน้ำเปล่าผสมกาแฟทำไมต้องผสมกาแฟด้วยเพราะมันมีรสมีรูปเสียงกลิ่นรสที่น่าติดอกติดใจนั่นเอง พอมันติดออกติดใจแล้วมันก็ติดเหมือนยาเสพติดนะพอเวลาที่ไม่ได้เสพมันมันก็ห ง, งุดหงิดนำคาญใจแต่ถ้าเราเลิกเสพมันเราก็จะไม่รู้สึกห ง, งุดหงิดนำคาญใจเวลาที่เราไม่มีกาแฟให้ดื่มดื่มน้ําเปล่าได้สบายพอร่างกายหิวน้ําก็ดื่มน้ำํำนี่คือปัญญา เวลาที่เกิดความอยากนี้ปัญญาต้องแยกแยะ ก, ก่อนว่าเป็นความอยากที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นนะถ้าเป็นความอยากที่จำเป็นนี่ไม่ถือว่าเป็นความอยากถือว่าเป็นความจำเป็นเช่นลมหายใจนี่ต้องมีลมหายใจถ้าไม่หายใจแล้วตายตอายันนีน้จำเป็นต้องหายหายใจหิวน้ำก็ต้องดื่มน้ำจำเป็น แต่จำเป็นจะต้องเป็นน้ำชากาแฟน้ำเป๊ปซี่น้ำเบียร์น้ำเหล้าหรือเปล่าไม่จำเป็นเด็กมันไม่ดื่มน้ำเบียร์น้ำเหล้ามันก็อยู่ได้ะตอนเป็นเด็กๆมีใครเอาน้ำเบียร์น้ำเหล้ามาให้พวกเราดื่มกันหรือเปล่าก็ไม่มีมีแต่น้ำนมน้ำนมนี้จำเป็นเพราะเป็นอาหารตอนที่ยังเคี้ยวไม่ได้ไม่มีฟัน ก็ต้องกินอาหารเหลวเดื่มอาหารเหลวก่อนดื่มน้ำนมไปก่อนอันนี้จำเป็นถ้าจำเป็นนี่ดื่มได้เมื่อถึงเวลาถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่ควรจะดื่มไม่ควรรับประทานเช่นถ้าเป็นอาหารเป็นของขบเคี้ยวขนมนมเนยถ้ายังไม่ถึงเวลากินก็ห้ามกินถ้ากินนอกเวลาก็ถือว่าเป็นความอยาก ถ้าเรากำหนดว่าร่างกายนี้กินมือเดียวก็พอพระพุทธเจ้าผ้าอาหารทุกรูปนี่ชั้นฉันมือเดียวอยู่ได้ก็ให้มันถึงเวลาถึงเวลารับประทานอาหารก็เอาเลยเต็มที่เลยอยากจะกินอะไรกินแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ไม่ให้กินอีกจนกว่าจะถึงเวลาที่จะกินคือวันต่อไปกินวันละหนึ่งครั้งถ้า ถ้าเป็นเวลาอื่นอยากกินนี่เรียกว่าเป็นความอยากเป็นความอยากที่จะพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดเป็นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารถ้าเกิดมีปัญหาที่ยังกาจัดความอยากกินอาหารนอกเวลาไม่ได้ก็ต้องใช้ปัญญามาสกัดปัญญาก็ต้องมองความไม่เที่ยงของอาหาร อย่าไปมองเฉพาะตอนที่มันอยู่ในจานดูตอนที่มันเปลี่ยนสภาพตอนที่มันเข้าไปในปากตอนที่มันเคี้ยวกับฟันผสมกับน้ําลายหรือตอนที่มันเข้าไปอยู่ในท้องแล้วบางทีอาจเจียนออกมาดูสิว่าอยากจะกินมันไหมถ้าอยากจะกินอาหารให้นึกถึงภาพของอาหารที่เวลาอาจเจียนออกมา แล้วมันจะทำให้เราไม่อยากกินนี่คือวิธีสกัดความอยากที่จะมาดึงใจให้มาติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารแล้วจะดึงให้ใจต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆนั่นเองต้องใช้ปัญญาปัญญานี้ก็คืออนิจจังทุกขงังอนัตตาดูความไม่เที่ยงดูความเปลี่ยนแปลง ของสิ่งที่น่าดูน่ากินกลายเป็นของที่ไม่น่าดูน่ากินไปพอเห็นตอนที่มันไม่น่าดูน่ากินต่อให้เอามันเป็นร้อยเป็นพันมาจ้างให้กินก็กินไม่ลงนะเหมือนกันถ้ารักถ้าชอบคนนั้นคนนี้ก็ดูอนิจจังของร่างกายเขาะถ้าตอนที่เขาตายแล้วนี่เขาไปจ้างให้มาเป็นแฟนก็ไม่เอาเลยใช่หไหมถ้าไม่มีลมหายใจแล้วต่อให้มาจ้าง ให้เงินกี่แสนกี่ล้านให้ว่าให้ไปอยู่ร่วมกันนี่ก็ไม่เอาแล้วออยกให้สับเปล่ไปออทันทออีไม่มีกายอยากได้ร่างกายที่ไม่มีลมหายใจเข้าออกแล้วออ น, นี่คือวิธีสกัดความอยากต่างๆเราต้องมองความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆที่เราอยากไดออ้มันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมโทรม มีการสิ้นสุดลงพอเห็นสภาพของความเสื่อมโทรมของความสิ้นสุดของสิ่งที่เราอยากได้ไม่มีใครอยากไดนะ้สินค้าเก่านี่มีใครอยากได้มั้ยสินค้าที่เขาเาไปทิ้นกองขยะล้วไม่มีใครอยากไปแย่งกันซื้อละแต่ถ้าเป็นของสินค้าใหม่อยู่ในร้านนี่เห็นเราอยากได้กัน อ, อยากซื้อกันซื้อมา ใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันก็เก่าเดี๋ยวมันก็เสียพอเสียก็โยนทิ้งกองขยะกันนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ในถ้าไม่ช้าก็เร็วก็จะกลายเป็นกองขยะไปถ้าเราเห็นล่วงหน้าก่อนมันก็จะทำให้เราสกัดความอยากต่างๆได้นี่คือลักษณะของปัญญาที่เราจะใช้ ในการที่จะรักษาความสงบที่ได้จากสมาธิที่ได้จากการเข้าฌานพอออกจากสมาธิออกจากฌานมาต้องคอยจ้างรอปภให้มาคอยคุ้มครองความสงบ เวลาเกิดความอยากรอป พ, อพอจะเป็นผู้มาจัดการทันทีนี่คือไตลักษณ์นะนี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่คืออสุภะเนี่ยไม่สวยไม่งามนี่คือปฏิกูลนความสกปรกความไม่น่ารับประทานของอาหารเวลาเข้าไปในปากแล้วคลายออกมาแม้จะเกากลับเข้าปากเดิมยังไม่อยากจะเอาเข้าเลยอย่าว่าแต่จะออกมาจากปากของคนอื่น ออกจากปากเราเองพอตักเขาย้ตักกลับก็ไปกินใหม่กินไม่ลงนะแต่เวลาอยู่ในปากเคี้ยวเนี้อโอ้โห อ, อร่อยอร่อ <c> ย <oughs> อยากจะตักเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกเนีเ <c oughs> พราะมันเห็นแต่ตอนที่มันน่ากินน่าดูแต่ตอนที่มันไม่น่าดูน่ากินนี่มองไม่เห็นภาพแต่เวลาสัมผัสกับรสมันอร่อยเนะี่ยอร่อยแต่เวลาถ้าเห็นภาพ อมันแล้วมันจะไม่นมันไม่อร่อยทันทีนี่คือวิธีสกัดหรือกำจัดความอยากที่จะเกิดขึ้นเสมอเพราะมันยังไม่ได้รับการกำจัดด้วยปัญญาความหลงมันจะหลอกให้เราหลอกฝันถึงอาหารที่น่ากินใช่เวลาเราหิวเรานึกถึงอาหารเรานึกถึงตอนไหน ตอนที่มันอยู่ในจานใช่ไหมเราไม่เคยนึกถึงตอนที่มันอยู่ในปากอยู่ในท้องหรือเวลาที่มันอยู่ในซุวมเนี่ยใชอันนี้ก็อาหารทั้งนั้นเนี่ยเรียกว่าอาหารเก่าอาหารใหม่ฮส่วนใหญ่เราจะมองแต่อาหารใหม่ออกมาจากเตาสดๆ น, น้อนๆมีควันลอยขึ้นมาเนี่ยเพียงจะพูดแค่นี้น้ำลายก็เริ่มไหลแล้วะแต่พอไปนึกถึงอาหารที่มันอยู่ในซุวมนี้น้ํา น้ำลายหดหมดเลยอันนี้ไม่สกโปกนะอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาที่จาเป็นจะต้องมองของที่มันสกปกมันถึงจะสะกัดความอยากได้ต้องมองของที่น่าเกลียดน่ากลัวเช่นร่างกายของคนตายมองซากศพเนี่ยมองอวัยวะน้อยใหญ่ที่มีอยู่ในร่างกายแล้วมันจะสะกัดความอยาก ได้ร่างกายมาเป็นแฟนได้สกัดความอยากกินแบบไม่มีเวล่าเวลาได้คนที่มีปัญหาเรื่องน้ําหนักเกินเนี่ยเอาไปใช้ใเถอดรับประกันได้ได้ผลดีรับรองได้ไม่กี่เดือนนี่น้ําหนักลดเป็นสิบโลนะทุกครั้งเวลาอยากจะกินนอกเวลาเลิกกินมากเกินไปให้นึกถึงอาหารตอนที่มันไม่น่าดูน่ากินน อ น, นึกได้ปั๊บนี่มันจะหยุดชั่งักเลยไม่อยากกินละ น, นี่คือวิธีที่จะทําลายความอยากที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความหงุดหงิดสร้างลมความลาคาญใจให้กับใจนั่นเองพอความอยากได้ถูกกําจัดด้วยปัญญาแล้วมันจะไม่กลับมาอีกมันจะหายแบบถาวรเลย หรือถ้ามันกลับมาเมื่อไหร่ปัญญาก็จะมาเตือนเสมอพออยากกินอาหารปัญญาก็มาเตือนเสมอพอนึกถึงอาหารที่ไม่น่ารับประทานปับ๊บมันก็หายไปต่อไปความอยากมันก็ไม่โผล่ขึ้นมาอีกต่อไปความอยากมันจะหายได้ต้องหายได้ด้วยปัญญาเท่านั้นนอกนั้นมันไม่หายใช้สติหยุดมันมันก็หยุดได้ชั่วคราวเช่นพอคิดถึงอาหารล้วก็พุโทโธพุโทโธไป เราก็ลืมเรื่องอาหารไปความอยากกินอาหารก็หายไปชั่วคราวพอเราหยุดพุดโทโธแล้วปล่อยให้มันคิดถึงอาหารใหม่เดี๋ยวมันก็อยากขึ้นมาใหม่มันไม่หายสตินี้จึงไม่สามารถกําจัดความอยากแบบถาวรได้สติกําจัดได้เพียงชั่วคราวคือดึงใจให้ไม่ให้ไปคิดถึงสิ่งที่อยากได้ ไม่ได้คิดถึงสิ่งที่อยากได้ความอยากนั้นก็จะหยุดหายไปแต่พอปล่อยให้คิดเดี๋ยวมันกลับไปคิดถึงเรื่องที่อยากได้อีกความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาอีกมันไม่มีวันหายด้วยสติสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติเพื่อทําใจให้สงบก็มีแต่คนรู้จักวิธีทําใจให้สงบด้วยสติเท่านั้นเองพอ พอออกจากสมาธิมาพอไม่มีสติควบคุมความคิดพอปล่อยให้ความคิดไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวความอยากก็ปรากฏขึ้นมาพอเกิดความอยากความสงบก็หายไปความวุ่นวายหงุดหงิดลำคาญใจก็จะตามมาทันทีไม่มีใครรู้ว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวทำลายความสงบได้จากสมาธิที่ได้จากสติ จึงต้องพระพุทธเจ้าจึงต้องไปค้นคว้าหาได้หาด้วยตนเองหาได้คนพบข้อที่หนึ่งก็คือค้นพบว่าความสงบที่ได้จากสมาธิถูกทําลายด้วยอะไรถูกทําลายด้วยความอยากแล้วข้อที่สองแล้วอะไรจะสามารถมาทําลายความอยากให้หายไปได้ให้หมดไปอย่างถาวรได้ก็คือปัญญา คือการเห็นใจรักษ์นั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เราอยากได้การนี้มันเป็นายรัก์ทั้งนั้นมันเป็นอสุภะทั้งนั้นอมันเป็นปฏิกูลทั้งนั้นถ้าเป็นอาหารถ้าเป็นร่างกายของคนก็อสุภะทั้งนั้นเพียงแต่มันมีกระดาษสวยๆห่ออยู่ทั้นั้นเองแต่ในกล่องมันเป็นของกองขยะทั้งนั้นร่างกายนี้เป็นเหมือนห่อของขวัญ ห่อด้วยผิวหนังเนี่ยห่อด้วยได้ผมด้วยขนเนี่ยด้วยคิ้วนี่ด้วยหน้าด้วยหนังห่อด้วยของที่สวยงามนแต่ถ้าแกะกล่องออกได้เกาะแกะกระดาษแกะของที่ห่อร่างกายนี้ออกได้น้องแกะหนังออกปั๊บก็จะเจอเนื้อเจอกระดูกนะเจออวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายนี้ เจอปอดเจอตับเจอไตเจอลำไส้เจอน้ำอะไรต่างๆอยู่ในร่างกายนี้มากมายแต่เราไม่เคยแกะกล่องกันทางอีสานเขาเรียกว่ามั่งกายไม่เคยม้าง ก, กายกันไม่เคยแยากกายแยกหนังออกฉีกหนังออกแล้วฉีกเนื้อออก ณทีนี้ก็จะได้เห็นกระดูกเห็นกระดูกตั้งแต่กระโหลกศีรษะลงไปจนถึงเท้าเนี่ยมีกระดูกตั้งแต่กระโหลกศีรษะลงถึงทเท้านี่เรามองไม่เห็นกันเพราะมีผิวบางๆนี่หุ้มห่อเอาไว้เท่านั้นเองจึงทำให้เราลหลงไหลกันลักคนนั้นลักคนนี้กัน เราก็กินไม่ได้นอนไม่หลับร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลาที่สูญเสียคนนั้นคนนี้ไปแต่ถ้ามองเห็นว่ามันเป็นเพียงอาการสามสิบสองมีทั้งกระดูกมีทั้งตับมีทั้งปอดมีทั้งลาไส้เวลาสูญเสียมันจะไม่รู้สึกเสียใจมันเวลาเห็นอยากได้มันก็จะไม่อยากได้ถ้ารู้ว่า จะได้ทั้งปอดทั้งตับทั้งหัวใจทั้งอุจจาระทั้งปัสสาวะได้มาครบสามสิบสองอาการก็จะไม่อยากได้ร่างกายของไข่แม้ร่างกายของตนเองก็ไม่หลงไหลไม่ข้างกายไม่ลักมันเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเวลาดูกระจกเทล่าโอ้หน้าตาเราดีรูปร่างเราดีแต่เดีนี้พอเห็นอาการสามสิบสองของร่างกายเรามันก็ มันไม่เห็นหน้าดูตรงไหนนี่คือเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องใช้ถ้าเราอยากที่จะรักษาความสุขที่ได้จากความสงบของสมาธิพอออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้พิจารณาตายลักในสิ่งนั้นได้ทันทีไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่ใช่เป็นไตายลัก ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนถาวรไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดจะต้องมีการพัดภาคจากกันวันใดวันหนึ่งไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตา ย, เ, ยเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะสกัดความอยากได้แล้วต่อไปความอยากต่างๆที่มันเคยมีอยู่ในหัวใจของเรานี้มันจะหายไปหมด มันจะไม่มีวันกลับมาอีกต่อไปถ้าเราเห็นด้วยใจลักเห็นด้วยอสุภะเห็นด้วยปฏิกลูลมันจะไม่มีวันที่จะมาหลอกเราได้อีกต่อไปอวิชชาโมหะนี้ถูกทำลายด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สรงค้นพบเนี่ไม่มีใครเห็นเหมือนพระพุทธเจ้าสรงรู้งเห็น นี่แหละคือเรื่องของคำถามที่เราถามกันว่าข้อที่หนึ่งเรามาเกิดกันได้อย่างไรเรามาเกิดเพราะเราถูกความหลงหลอกให้มาเกิดนั่นเองหลอกให้เรามาคิดว่าเรามาหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขจากคนนั้นคนนี้ หาความสุขจากอาหารเครื่องดื่มชนิดต่างๆแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวเวลาที่ไม่สามารถหาได้มันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้เราไม่ไม่รู้กันไม่เคยคิดกันคิดแต่ว่าเราต้องหาได้ตลอดเวลาต้องมีความสามารถหาได้ ได้มาแล้วก็ต้องสามารถรักษาให้มันอยู่กับเราไปได้เสมอตลอดนะแต่พอมันเป็นไปตรงกันข้ามกับที่เราคิดเราก็มาร้องห่มร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจตอนนั้นก็อยากจะฆ่าตัวตายแล้วเมื่อก่อนอยากจะมาเกิดเลอะเกินพอมันเจอความทุกข์ปั๊บนี้ไม่อยากจะเกิดแล้วอยากจะตายแทนนะแต่นั่นก็ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหา เพราะการฆ่าตัวตายก็ไม่ได้หยุดการกลับมาเกิดนี่เพราะว่าตัวที่ที่ต้องฆ่าไม่เลยถูกฆ่านั่นเองตัวที่ต้องฆ่าตัวที่พาให้เรามาเกิดก็คือตัวความอยากเนี่ยถ้าต้องฆ่าต้องฆ่าไอ้ตัวความอยากมันถึงจะไม่กลับมาเกิดไปฆ่าร่างกายมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเดี๋ยวมันก็กลับมาเกิดใหม่พอไม่มีร่างกายอันนี้มันเดี๋ยวมันจิตที่เป็นดวงวิญญาณมันก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ เพราะมันยังมีความอยากห า, าะลายยศสรเสญหารูปเสียงกิ่นลดต่างๆโดยใช้ร่างกายนั่นเองมันก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่แล้วก็มาเกิดใหม่แล้วพอมาเจอความทุกข์ก็อยากจะฆ่าตัวตายใหม่เนี่ยคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยจะฆ่าตัวตายไปเรื่อยๆท่านบอก5 0 0ร้อยชาติบางทีมากกว่านั้นอีกถ้าไม่แก้ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีแก้ปัญหา ทุกครั้งที่เจอความทุกข์แบบทนไม่ไหวก็อยากจะฆ่าตัวตายแต่ถ้าเปลี่ยนวิธีได้ถ้ามาเจอคนฉลาดาเจอตัวพระพุทธเจ้าเองหรือเจอตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนหรือพระอริยสงสาวกท่านก็จะสอนให้เราไปฆ่ากิเลสแทนอย่าไปฆ่าร่างกายร่างกายไม่ใช่เป็นตัวปัญหา ตัวปัญหาก็คือความอยากฆ่าก็ฆ่าด้วยปัญญาต้องเห็นใจรักต้องเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาต้องเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มาที่เป็นของเราในวันนี้มันเป็นของเราชั่วคราวไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงเรามาตัวเปล่าๆ เ, เดี๋ยวเวลาเราไปเราก็ไปตัวเปล่าๆ เ, เราไม่ได้เอาอะไรติดตัวกับเราไป แล้ว เ, เรามาทุกมาเสียใจมาวุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆกันทำไมในเมื่อไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องทิ้งมันไปอยู่ดีเอามันไปไม่ได้ถ้าเรามันคิดอยู่เรื่อยๆว่าเรามาตัวเปล่ปาๆเดี๋ยวเราก็ไปตัวเปล่าๆเราจะไม่ค่อยวุ่นวายกับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ถ้ามีก็ดูแลรักษาไปใช้มันไปถ้ามันไม่อยู่ก็ ก็ปล่อยมันไปเพราะไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปหรือเราก็ต้องจากมันไปอยู่ดีไม่เห็นว่าจะต้องมาทุกข์กับมันเลยถ้าเรามีปัญญาเราจะไม่ยึดไม่ติดกับอะไรพร้อมที่จะพัดภาคจากกันเสมอพร้อมที่จะเสียเพราะว่าต้องเสียอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วเสียแบบพร้อมนี่ไม่ทุกข์ เสียแบบไม่พร้อมนี่ทุกเนี่ยให้แม้เงินทองที่ญาติโยมมาใบทาบุญนี่ญาติโยมไม่เห็นเสียใจเลยเป็นการแต่ถ้าใครถ้าถูกใครขโมยแล้วถูกใครโกงไปนี่เสียใจไหมโอยเป็นเฟินเป็นไฟขึ้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับขึ้นมามันก็เป็นการเสียเงินทองเหมือนกันแต่เสียแบบพร้อมที่จะเสียยินดีที่จะเสียกับเสียแบบไม่ยินดีเท่านั้นเอง ที่เราทุกกันทุกวันนี้เพราะว่าเราทุกเพราะเราไม่ยินดีที่จะเสียถ้าเรา ย, ยินดีที่จะเสียแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ทุ ก, กันการที่เราจะยินดีได้เราต้องมีปัญญานั่นเองเราต้องเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงไม่เสียวันนี้ก็ต้องเสียวันข้างหนา้าต้องเสียวันตายถ้าไม่เสียตอนเป็นก็ต้องเสียตอนตาย แล้วไปทุกข์กับมันทําไมทุกข์ก็เสียไม่อไม่ทุกข์ก็เสียเอาอย่างไหนดีกว่าเสียแบบไม่ทุกข์ดีกว่าหรือเสียแบบทุกข์ดีกว่าเอเสียแบบทุกข์ก็เสียสองเด้งเสียของเราก็ต้องเสียใจเสียสองต่อถ้ามีปัญญาก็เสียแด้งเดียวเอหรือไม่เสียเลยก็ได้เพราะคิดว่ามันไม่ได้เป็นของเราตั้งแต่เริ่มต้นออ เรามาตัวเปล่าๆแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตัวเปล่าๆยันอะไรที่เราได้มานี้มันไม่ได้เป็นของเรา เ, เพราะว่ามันเราเอาติดตัวไปไม่ได้นั่นเองยันเราก็ไม่ได้เสียอะไรไม่ได้อะไรการมาเกิดในโลกนี้เราไม่ได้ไม่เสียกับอะไรกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราจะได้จะเสียก็คือบุญหรือบาปเท่านั้นที่เราเอาติดตัวไปได้ หรือปัญญาหรือความโง่เท่านั้นที่เราจะเอาติดตัวไปได้ถ้าเรามาได้ปัญญาเราก็จะได้ได้ความสุขไปได้หลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดไปถ้าเรายังได้ความโง่อยู่เราก็จะได้การเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเราจึงต้องมาสร้างสติสร้างปัญญากัน เพื่อที่เราจะได้ตอบคำถามข้อที่สองของเราว่าเมื่อเรามาเกิดแล้วเราควรจะทำอะไรควรจะทำอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราอย่างแท้จริงก็คือมาปฏิบัติธรรมนี้เองมาเจริญสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาด้วยการสนับสนุนของศีลเราต้องมีศีลแปดขึ้นไป เราถึงจะสามารถมาปฏิบัติสมถะภาวานาวิปัสนาภาวานาได้อย่างสมบูรณ์แบบถ้าถือศีลห้านี่เดี๋ยวมันไปสร้างอุปสรรคขึ้นมาขวางได้เดี๋ยวไปกินอาหารเย็นแล้วมันก็จะง่วงการที่จะนั่งสมาธิก็ขอนอนแต่ถ้าไม่กินอาหารเย็นก็สามารถนั่งสมาธิได้ไม่ง่วงนอน อันนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องมาทํากันคือมาแก้ความโง่ของเรามาสร้างสติสร้างปัญญาด้วยอาศัยการรักษาศีลแปดเพื่อเราจะได้มีเวลาสร้างสติสร้างความสุขแบบที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขชั่วคราวในเบื้องต้นแต่มันเป็น เป้าหมายแรกของการปฏิบัติของเราเพราะมันง่ายกว่าการที่จะใช้ปัญญาสร้างสตินี้เพียงให้ระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุโทโธพุธโทโธเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นยังไงอันนี้เป็นของยากกว่า เอาเอาความสงบแบบชั่วคราวก่อนด้วยการใช้สติพุโทโธพุโทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกในเวลานั่งแต่ควรจะฝึกสติก่อนเวลานั่งด้วย ถ้าช่วงไม่ช่วงที่ไม่ใช่เวลานั่งอย่าไปดูลมเพราะมันดูลมยากให้ดูเท้าแทนถ้าเดินจงกรมก็ให้ดูเท้าหรือให้บริกรรมพุทโธแทนเอเดินไปก็พุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปให้ดูเท้าไปเท้าซ้ายเท้าขวาไปลมมันละเอียดตอนที่เราเดินนี่มันจะสังเกตเห็นได้ยาก แต่ถ้าคิดว่าเห็นลมดูลมได้ก็ไม่ห้ามเนี่ยอยากจะดูลมในขณะเดินจงกรมก็ลองดูแต่ดูเท้านี่มันง่ายกว่าเพราะมันเห็นด้วยตาชัดกว่าแล้วเราต้อง เ, อเราต้องดูทางเดินด้วยโบแต่ดูลมเดี๋ยวเดินไปเหยียบงูเข้านะแต่ถ้าดูเท้านี่มันก็จะดูทางด้วยดูทางที่เราเดินด้วยมีอะไรขวางทางอยู่ข้างหน้าหรือเปล่า เห็นเดินจงกรมนี้เขาไม่นิยมดูลมกันเขาดูเท้ากันดูทางเดินกันนะแล้วก็เดื๋แม่เะนั้นก็พุโทโธไปเดินไปก็พุโทโธไปอันนี้เป็นวิธีสร้างสติขึ้นมาก่อนเพราะถ้าไม่สร้างสติไม่มีสติเวลามานั่งมันจะหยุดความคิดไม่ได้พอนั่งพุโทโธได้คำเดียวหายไปแล้วความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาแล้ว ดูลมได้เข้าออกสองครั้งความคิดนั้นความคิดนี้เข้ามาทันทีถ้าไม่มีสติมาก่อนนะถ้าฝึกสติถ้าสร้างสติไว้ในขณะที่เดินจงกรมหรือในขณะที่เราทำภารกิจที่ไม่ต้องใช้ความคิดต่างๆเช่นเวลาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารทำความสะอาดกวาดบ้านกวาดเรือน ล้างถ้วยล้างชามอะไรทำนองนี้เราสามารถฝึกสติควบคู่ไปได้ให้ให้มีสติอยู่กับงานที่เราทำก็ได้ไม่ว่าเราทำอะไรก็ให้ใจเราอยู่กับงานนั้นควบคู่ไปกับร่างกายอย่าส่งใจไปที่อื่นไม่ใช่ล้างชามไปแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้ที่นั่นที่นี่อย่างนี้แบบไม่มีสติทำงานแบบไม่มีสติ ให้อยู่กับงานที่เราทำเพียงอย่างเดียวใจคิดอยู่กับงานหรือรู้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่แล้วจะมีสติใจจะนิ่งใจจะไม่ลอยไปลอยมานั่นเองพอเวลามานั่งมันก็จะมีสติควบคุมความคิดได้พอให้อยู่กับพุโทโธมันก็พุโทโธไปได้เรื่อยๆให้ดูลมมันก็ดูลมไปได้เรื่อยๆ ถ้ามันทําอย่างต่อเนื่องเนห้านาทีสิบนาทีมันก็สงบได้เวลาสงบแล้วมันก็สบายไม่ต้องทําอะไรเพรอจิตสงบนิ่งแล้วพุโทโธก็หยุดนการดูลมก็หยุดทีนี้จิตจะรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้สิ่งต่างๆที่เคยปรากฏขึ้นมาในใจก็จะหายไปหมดเนี่ยใจก็จะว่างเหมือนน่องลอยอยู่ในอาวากาศนสังเกตไม่เวลาเราอยู่ พื้นดินนี่มีข้าวของอะไรเยอะไปหมดมีสิ่งของมีสิ่งต่างมีคนมีอะไรพอเราขึ้นเครื่องไปเนี่ยถ้านั่งจรวดขึ้นไปลอยอยู่ในอวากาศที่นี่ไม่มีอะไรนั่นะเวลาจิตสงบก็เหมือนอยู่ในอวากาศว่างไม่มีอะไรนอกจากความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วก็มีอุเบกขาคือใจเป็นกลาง ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงสักแต่ว่ารู้นี่คือลักษณะของสมาธินี่ถ้านั่งสมาธิแล้วคิดว่าสงบแต่ยังไม่มีความสุขแบบที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี้ก็ยังถือว่ายังเข้าไม่ถึงยังเข้าไม่ได้เต็มที่นะไม่ได้เต็มร้อยถ้าเข้าได้เต็มร้อยแล้วมันจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง แม้จะเป็นเพียงชั่วแค่งูลาบลิ้นก็ตามหรือชั่วฟ้าแลบมันจะเป็นความสุขที่จะทําให้ติดอกติดใจที่จะอยากอยู่กับความสุขแบบนี้เพียงอย่างเดียวจะไม่อยากจะไปหาความสุขแบบอื่นอีกต่อไปพอได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้แล้วต่อไปมันก็อยากจะรักษาให้มันมีนานขึ้นบ่อยขึ้น ก็จะทุ่มเทเวลาให้กับการเจริญสติมากขึ้นเดินจงกรมนั่งสมาธิมากขึ้นเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบได้มากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปก็จะนั่งทีได้นานได้ทีละหลายสิบนาทีได้ทีละชั่วโมงสองชั่วโมงขึ้นไปเพราะมันมีความสุขนั่งแล้วมันไม่เจ็บมันไม่ปวดถึงแม้จะเจ็บจะปวดทางร่างกายบ้างแต่มันไม่เดือดร้อนอยู่กับมันได้ ใจเป็นอุเบกขาไม่เดือดร้อนพอเราได้ความสุขระดับของสติแล้วเราชำนาญแล้วเราสามารถเข้าออกได้ทุกเวลาเวลาเราออกจากสมาธิมาเราอยากจะเปลี่ยนความสุขจากสมาธิให้เป็นความสุขแบบปัญญาเราก็ต้องใช้ปัญญาคอยสกัดคอยห้ามความอยากต่างๆ เวลาอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลธภาก็บอกว่าเป็นไตรักเวลาอยากจะได้ลาบยศ ส, สรเสนก็บอกว่าเป็นไตรักมันก็จะหยุดความอยากเหล่านั้นได้พอความอยากหยุดความสงบที่จะถูกทําลายก็หายไปความสงบก็กลับมาแทนที่ความสงบที่จะถูกทําลายก็จะอยู่ต่อไปได้พอไม่มีความอยากที่จะมาทําลายมัน เพราะเราหยุดมันได้ด้วยไตยลักษ์หยุดมันได้ด้วยอสุภะหยุดมันได้ด้วยปฏิกูลของอาหารเนี่ยนี่คือทําไมเราจึงต้องมาเจริญปัญญาพิจารณาไตลักษ์กันพิจารณาอสุภะกันพิจารณาปฏิกูลกันเพราะเรายังไม่มีความรู้เหล่านี้อยู่ในใจนั้นเองเพอเกิดความอยากขึ้นมาก็ไม่สามารถสกัดมันได้หยุดมันได้ เราจึงต้องสร้างความรู้ขึ้นมาเตรียมตัวไว้ก่อนเหมือนกับเรียนหนังสือเราต้องท่องหนังสือไว้ก่อนก่อนที่เราจะไปสอบถ้าเราไม่ท่องหนังสือท่องตำราถึงเวลาสอบเราก็ตอบคำถามไม่ได้เพราะคำถามมันก็อยู่ในตำราในหนังสือที่เราท่องจานี่เองอันนี้ก็เหมือนกันปัญญาของเราก็อยู่ที่เรามาฝึกพิจ า, ารณาไตรลักษณ์กันนั่นเองมันพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ฝึกคิด ถึงเรื่องใตลับอยู่เรืยๆทุกอย่างไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงมันก็จะทําให้เราทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่อยู่กับเราไปตลอดมันให้คิดอย่างนี้แล้วพอเวลาอยากได้อะไรมันจะได้ เ, เห็นภาพเห็นว่าเรากำลังเดินเข้าหากองทุกข์เนี่ยพอเห็นว่าเป็นทุกข์เราก็หยุดความอยากถอยหลังดีกว่ า, เ, าเข้าเกียร์ถอยหลังดีกว่ า, านี่คือ เรื่องของการที่เราจะมาตอบคำถามข้อที่สองว่าเราเกิดมาแล้วเราควรจะทำอย่างไรเราก็ควรมาหยุดการเกิดนั่นเองเพราะการเกิดในโลกนี้ไม่ดีเกิดในไต้ภพนี้ไม่ดีเพราะมันเป็นโลกของความทุกข์โลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาและการจะหยุดการเกิดได้ก็ต้องมาปฏิบัติธรรม มาถือศีลแปดขึ้นไปมาภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาพอเรามีศีลแปดเราก็จะภาวนาได้เต็มร้อยพอเราภาวนาเต็มร้อยเราก็จะได้สมาธิพอได้สมาธิเราก็ใช้ปัญญามารักษาสมาธิที่เป็นความสงบชั่วคราวให้กลายเป็นความสงบที่ถาวรต่อไป ความสงบที่ถาวรเราก็เรียกว่านิพพานนี่เองนิ่บานางังปรมังสุขขังเป็นบรมมสุขของความสุขความสุขของสมาธิที่ว่าเหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วยังสู้ความสุขของพระนิพพานไม่ได้ความสุขของพระนิพพานนี่เป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดความสุขของสมาธินี้ยังมีวันเสื่อมมีวันหมดได้ น, นี่คือ สิ่งที่เราควรจะมาทำกันมาเจริญสติมาเจริญปัญญามารักษาศีลแปดกันแล้วก็มาหยุดการเวียนว่ายตายเกิดฉันหยุดการกลับมาเกิดกันเพราะเมื่อจิตได้เป็นนิพพานแล้วมีความอิ่มความพอแล้วก็ไม่รู้จะมาเกิดหาอะไรอีกต่อไป เพราความสุขที่ได้จากในโลกนี้ก็ซื้ความสุขของพานิพานไม่ได้พระพุทธเจ้าพานหลานทั้งหลายจึงไม่โง่ที่จะกลับมาเกิดกันโลกที่คิดว่าไปนิพานแล้วยังอยากจะกลับมาเกิดก็แสดงว่ายังโง่อยู่ยังไปไม่ถึงนิพานจริงใครไปถึงนิพานจริงแล้วยังอยากจะกลับมาเกิดก็เคลื่ว่าโง่หรือบ้าเท่านั้นก็ไม่ใช่เป็นนิพานจริง ถ้าเป็นนิพพานจริงแล้วไม่มีวันที่อยากอยากจะกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการมาฟังเทปฟังธรรมในวันนี้มาฟังว่าเรามาเกิดได้อย่างไรและเราจะควรทำอะไรหลังจากที่เราได้มาเกิดแล้วคาตอบก็คือเรามาเกิดเพราะเราถูกหลอกให้มาเกิดแล้นเราก็ต้องมาสร้างสติสร้างปัญญาเพื่อมาแก้ความหลงที่หลอกให้เรามาเกิดให้เราเห็นว่าการมาเกิดมันเป็นทุกข์ แล้วเราจะได้ไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวะเรวาหาปุราปาริกปุเรนติสากลัง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 มณีโชติอาราโสญาตาสพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมัเตภาวะโตอันตลาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจจังวุฒาปะจายิโน จตารุทรรมาวัทานติอายุวันโนสุขังภาลาช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากที่เลิกปิดไม่แล้วก็จะงดถามกัน ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่แกลบสาธุเจ้าค่ะวันนี้ทางเฟ e b o o k มี235ท่าน YouTube มี251ท่านวิทยุ27ท่านค่ะผู้รับฟังบนเขา179ท่านรวมเป็นทั้งหมด692ท่านเจ้าค่ะ ถ้าเป็นคาถามก็เชิญถามได้เลยคําถามจากคุณนาวีปราณีค่ะเมื่อวานเปเรียนขับรถยนต์พอมาถึงกลับบ้านไข้ขึ้นเครียดมากเจ้าค่ะหนูขอพรจากพระอาจารย์มือติดตัวจะต้องเรียนอีกหลายวันเจ้าค่ะไม่เข้าใจก็คือว่าเปเรียนขับรถยนต์มาพอถึงบ้านไข้ขึ้นเจ้าค่ะเพราะว่าเครียดมากขอรบกวนพระอาจารย์ให้พรมือติดตัวเพราะจะต้องเรียนอีกหกวันเจ้าค่ะ ไม่รู้จะให้พอดยังไงเอก็อขอให้ไม่เครียดก็แล้วกันขอให้พุโทโธพุโทโธไปฮะอย่าไปเครียดกับมันคําถามจากเด็กชายระนนค่ะผมชอบโกรธแม่เวลาที่แม่ดูแต่ผมก็ขอโทษแม่ทุกครั้งที่ผมรู้สึกผิดแม่ดูผมเนี่ยแม่บาปไหมครับและผมโกรธแม่ผมจะบาปไหมครับผมต้องทําอย่างไรครับถึงจะไม่รู้สึกโกรธแม่ อ๋อแม่ดูไม่โกรธหรอกเพราะว่าแม่ไม่บาปหรอกเพราะแม่ทําหน้าที่แม่ต้องคอยว่าเก่าวตักเตือนเวลาเราทําอะไรไม่ถูกก็ต้องดูเหมือนตำรวจเนียตำรวจเขาก็มีหน้าที่จับเราไปปรับจับเราติดคุกติดตารางเวลาเราทําผิดนียเพราะถ้าปล่อยเราทําผิดเดี๋ยวจะไปสร้างความเสียหายให้กับผู้และกับตนเองมากขึ้นไปเลยต้องมีการว่ากล่าวตักเตือนดูดา่า อันนี้คุณแม่ทำหน้าที่ทำด้วยความเมตตาเป็นบุญถ้าไม่ทำานจะถือว่าปล่อยปะละเลยเดี๋ยวต่อไปลูกไปทำผิดหนักถูกโทษปหารชีวิตแล้วก็มาโทษพ่อโท ษ, โทษแม่ว่าไม่สั่งไม่สอนต้องคอยสั่งคอยสอนการดูกล่าวว่ากล่าวตักเตือนนี่เป็นเรื่องเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องคอยสั่งคอยสอนลูก ที่ยังไม่รู้เรื่องผิดถูกดีชั่วต่างๆส่วนลูกไปว่าพ่อหรือไปโกรธพ่อโกรธแม่เนี้ยบาปเพราะว่าเป็นเรื่องของความอยากของเราอยากไม่ให้เขาว่าเราแต่เรายังอยู่ในฐานะที่จะต้องถูกว่ากล่าวตักเตือนอยู่เราควรที่จะหัดยินดีกับคําว่ากล่าวตักเตือนเพราะเป็นเหมือนการชี้คุมทรัพย์ให้กับเรา เพราะว่าถ้าเราถ้าเรารู้ว่าการกระทานี้จะเป็นโทษเป็นความเสียหายให้กับเราพอเราไม่ทำเราก็ไม่ต้องไปรับโทษไม่ต้องรับความเสียหายเหตนี้นนจะขอบคุณเวลาที่พ่อแม่ว่าเก่าตักเตือนเราไม่โวรจะโกรธท่าน คำถาม<ค><ณ>จากเด็กชายพะคินีคะ่ะคุณยายไม่ชอบเข้าวัดครับแต่ผมก็ชอบชวนคุณยายไปวัดคุณยายก็ไปกับผมและผมก็ชอบอา่านหนังสือทรมาให้คุณยายฟังการกระทำของผมจะทำให้คุณยายได้บุญมากไหมครับ เนีี่่ยาทใหมนะคุณยายไม่ชอบเข้าวัดครับผมชอบแต่ผมชอบชวนคุณยายไปวัดคุณยายก็ไปวัดกับผมผมชอบอ่านหนังสือทำมาให้คุณยายฟังการกระทําของผมจะทําให้คุณยายได้บุญไหมครับได้ได้ทั้งสองคนฮนะเราก็ได้บุญในการที่ชวนให้คนอื่นเขาไปทําบุญแล้วคนที่เราชวนเขาได้ทําบุญเขาก็ได้บุญด้วย คำถามจากคุณเจรานานค่ะเมื่อวานหนูทำขนมครีปพร้อมน้ำร้อนและชาแจกคนไร้บ้านในเบอร์ลินค่ะหนูชวนเพื่อนไปด้วยแต่ระหว่างที่กำลังจะแจกเพื่อนเกิดอาการหงุดหงิดใส่หนูอาจจะเป็นเพราะกลัวคนไร้บ้านที่นี่เพราะคนไร้บ้านที่นี่ดุเพื่อนหนูจะได้บุญจากการหงุดหงิดใส่หนูไหมคะก็ได้น้อยเพราะว่าไม่มีความยินดี เ, นเกิดความกลัวอะไรขึ้นมา การทำบุญก็เพื่อให้เกิดความสุขใจถ้าไม่สุขใจก็แสดงว่ายังไม่ได้บุญนะต้องทำแล้วมีความสุขมีความเพิ่มปิติที่เราได้ช่วยเหลือคนที่เขาอดอยากขาดแคลนให้เขาได้มีความสุขบ้างแม้เพียงแก้วมือเดียวก็ยังดีกว่าไม่มีเลยจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะหากเราต้องบริหารคนที่ยึดแต่ผลประโยชน์ตนเองเป็นหลกัก และไม่ฟังคนอื่นเราจะมีเมตตาต่อเขาอย่างไรได้บ้างคะก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาเนี่ยถ้าตราบใดไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะโลภหาความสุขใส่ตัวเขาก็เป็นเรื่องของเขาคำถามจากคุณ อ, อมพานุพงคะ่ะต้องทำสมถะ ถ, ถึงขั้นไหนถึงจะ ถึงจะไปทำวิปัสนาต่อได้ครับออถึงขั้นที่เรามีสมถะสิถ้าเรายังไม่มีความสงบก็ต้องทำให้มีความสงบก่อนพอเรามีความสงบแล้วพอออกจากสมาธิมาเราอยากจะรักษาความสงบให้อยู่ต่อไปก็ใช้ปัญญาถ้ายังใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติประคับประคองไปก่อนขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ออกจากสมาธิถ้ายังมีสติต่อมันก็ยังจะประครับประคองให้อยู่ไปได้แต่ถ้าใช้ปัญญามันจะได้แบบถาวรกว่าแต่จำปัญญามันต้องรู้จักคิดในเชิงใตรักษต้องเห็นใจรักในสิ่งที่เราอยากได้คำถามจากคุณพไทัยคะ่ะผมป่วยหนักปวดหัวจนทนไม่ไหวตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแต่ ยาหมอก็ระ ง, งับไม่หายผมจึงนอนทรมานกับอาการปวดนี้ผมควรจะทํำยังไงครับพระอาจารย์ให้ความทรมานนี้เบาบางลงได้บ้างก็ใช้สติใช้สมาธิบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บปวดของร่างกายปล่อยวางร่างกายแล้วความทรมานใจจะลดน้อยลงและหายไปได้ คำถามจากคุณกรุณาค่ะฉันทะคือมูลเหตุแห่งทุกข์ดังนั้นเราควรวางจิตยอย่างไรต่อผู้ใกล้ชิดเช่นพ่อแม่ลูกหรือเพื่อนสนิทเพื่อจะไม่ให้เกิดความทุกข์เมื่อต้องพลัดพรากจากกันคะฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์ก็คำมันนี่มาจากไหนไม่รู้คือฉันทะมันมี ทั้งเป็นมูลเหตุของความทุกข์กิดเป็นนิวรณนเช่นกา ม, มะชันทะความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสเวลานั่งสมาธิเราหิวกาแฟอยากกินกาแฟมันก็จะไม่มีสติสตังจะนั่งสมาธิมันต้องไปกินให้อิ่มก่อนเราค่อยกลับมานั่งอันนี้ถึงเรียกว่าเป็นมูลเหตุของความทุกข์แต่ชันทะก็มีชันทะในทางที่ดี ฉันทะที่คือความยินดีที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้ก็เป็นชันทะในอิทธิบาทสี่แต่ชันทะที่เป็นมูลเหตุของความทุกข์นี้ไม่เข้าใจความหมายถ้าเป็นตันหาน่าจะถูกกว่าถ้าเรามีตันหามีความอยากอยากให้คนรอบข้างเราทำอะไรตามใจเราพอเขาไม่ทำตามใจเราเราก็ทุกข์กับเขาเราก็ต้องตัดความอยาก อย่าไปอยากให้เขาทำอะไรตามใจเราปล่อยให้เขาทำอะไรตามใจเขาเรื่องของเขาเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับเขาเวลาเขาทาอะไรที่ไม่ถูกใจเราคำถามจากคุณอ้อยฟ้าใสค่ะหากสร้างพระหรือศาลาหรือร่วงทำบุญต่างซึ่งเป็นเงินจานวนก้อนหนึ่ง แล้วขอใบอนุโมทนาจากทางวัดเพื่อไปลดหย่อนภาษีอย่างนี้จะได้บุญไหมเจ้าคะก็ได้ลดก็ได้ไปแล้วก็ลบจำนวนที่เราได้เงินคืนมาเพราะเงินคืนมาก็แสดงก่อนนั้นเราไม่ได้ทาเราให้รัฐบาลช่วยทำแทนเราสมมติเราได้คืนมาเราทำร้อยหนึ่งเราได้คืนมาสิบบาทก็ถือว่าเราทำแค่เก้าสิบบาท ถ้าเราไม่ไปขอลดหย่อนเราก็ได้เต็มร้อยคำถามจากคุณิยาค่ะถ้านั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนมีมดคานหรือไตบนตัวเรานี่มันจะเกี่ยวกับสมาธิหรือเปล่าเจ้าคะบางครั้งพอจะนั่งแบบจริงจังมักจะมีอุปสรรคมาขัดขวางควรจะทำอย่างไรคะเขาเรียกว่ากิเลสสมานมานที่คอยมารบกวนการทำสมาธิของเราเรียกว่านิวรณ์ก็ได้ เราก็อย่าไปสนใจมันพอเราเริ่มนั่งแล้วเราปล่อยวางนั่งกายนั่งกายจะรู้สึกเจ็บจะปวดจะคันจะอะไรปล่อยมันไปเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปหรือยู่กับการดูลมหายใจไปถ้าเราไม่ไปสนใจเดี๋ยวมันก็หายไปเองคําำถามจากคุณสุบินค่ะมีคนทำบุญแต่ต้องการคำชมเชยยกยอให้คนอื่นเห็น อีกคนทำบุญแบบเสียสละไม่ยึดติดในคำชมใครใครเห็นก็ช่างไม่เห็นก็ช่างแบบนี้จิตคนไหนจะพ้นทุกได้จริงเจ้าคะมันไม่ได้พ้นทุกจากการทำบุญอย่างเดียวหรอกมันต้องรักษาศีลภาวนาด้วยถึงจะพ้นทุกได้แต่คนทำบุญที่ไม่ต้องการเอาหน้ า, าตาจะไม่ทุกเวลาที่ไม่ได้ หน้าได้ตาแต่คนที่ทำบุญแล้วอยากจะได้หน้าได้ตาเพราะเขาลืมประกาศชื่อขึ้นมา ใ, ใจทุกข์ขึ้นมาทันทีนชื่อฉันหายไปไห น, นนั้นก็ได้เท่านั้นแต่ก็ยังได้บุญอยู่เพียงแต่ว่ามันทำให้เกิดมีความทุกข์ใจขึ้นมากลบบุญที่เราได้ทำไว้ไป คำถามจากคุณยาาอีกคำถามค่ะถ้าเราพยายามไม่ทำบาปกับพ่อแม่แต่บางครั้งพ่อแม่ก็ทำให้เรารู้สึกโกรธแต่เราไม่อยากจะโกรธเราจะบาปหรือเปล่าคะแต่ถ้าพ่อแม่ต้องลำบากหรือเหนื่อยใจเพราะเรา ท, ทั้งที่เราไม่อยากทำให้เขาเหนื่อยใจแบบนี้จะบาปไหมคะคือวิธีการกระทำอะไรของเราถ้าไม่ได้ไป ทำร้ายเขาทางวาจาหรือทางการกระทําของทางร่างกายเช่นไปทุบตีเขาเนี้ก็ไม่บาปแต่เขาเสียใจเพราะความประพฤติของเราไม่ดีอันนี้มันไม่ไ ม, ไม่เป็นบาปสําหรับเรามันเป็นความทุกข์ของพ่อแม่เองที่ไปหวังจากการประพฤติของเราฉั้นตราบใดที่การกระทําของเราไม่ไปไปกระทบกับตัวร่างกายเลยทําให้เขาเจ็บ เจ็บช้ำน้ำใจทำลายร่างกายหรือจิตใจด้วยการกระทําโดยตรงนี้ไม่ไม่บาปถ้าเราไปทําอย่างอื่นเช่นเราไปเ พ, พุ็จตัวที่เขาไม่ชอบเขาก็ไม่สบายใจอันนี้ไม่บาปนะแต่ถ้าเราไปด่าแม่ด่าพ่อว่าแม่นี่หรือไปทุบไปตีพ่อแม่อย่างนี้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าบาปวิธีที่จะทําให้เราไม่ทําก็คือเราต้องหมัน่นระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่อยู่เรื่อย เราเรียกว่าถ้าเราไม่มีร่างกายนี้พไม่ไม่มีพ่อแม่นี้เราก็จะไม่มีร่างกายอันนี้เห็นไม่ว่าพ่อแม่จะทําอะไรกับเรามากน้อยเพียงไรนี้เราจะต้องยินดีให้เขาทําเพราะว่าเป็นการทดแทนบุญคุณที่ยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่ความจริงก็ไม่ต้องการจะทําร้ายเราหรอกพ่อแม่ทุกคน ถ้าเลี้ยงดูเรามาจนถึงขนานี้เขามีแต่ความรักความเมตตาถ้าเขาพูดเขาว่าเขาเตือนก็เพราะเขารักเขาห่วงเรามากกว่าถ้าเราคิดแบบนี้เราก็จะไม่โกรธเราจะดีใจว่าพ่อแม่ยังห่วงใยเราอยู่ ย, ยังไม่ยังไม่ตัดหางปล่อยวัดค่ะคำถามจากคุณ <c oughs> จติยาค่ะ การบริกรรพุทโธนี้จําเป็นหรือไม่ว่าเราต้องบอกในใจว่าตัวเราที่รู้สึกนี้คือกิเลสทั้งหมดแล้วก็จึงบอกคําว่าพุทโธ ท, ทับเข้าไปเพื่อให้มันดับไม่ต้องหรอกยิ่งคิดก็ยิ่งไม่ดับยอย่าไปคิดให้พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันดับเองกิเลสความอยากอะไรต่างๆมันหยุดไปมันไม่ตายแบบถาวรเท่านั้นก็ใช้พุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดอะไร ถ้าคิดแล้วมันไม่ ม, ไ ม, มันไม่สงบมันไม่เงียบมันไม่นิ่งคำถามจากคุณจิตน้อยน้องสาวไปดูหมอมาเขาบอกว่าลูกของน้องสาวจะเสียชีวิตเราจะช่วยแนะนําเขาอย่างไรได้บ้างเจ้าค่ะก็มกว่าเสียทุกคนแนมะันจะเสียเมื่อไหร่เท่านั้นนะ่ะหมอก็เสียหมอหมอดูก็เสีย <c oughs> ไม่มีใครไม่เสียนแต่ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นแหละ <c oughs> หมอแล้ว น, นะ You got any more question? Oh, no more. o k a มีใครอยากจะถามอีกไหมเดี๋ยวปิดแล้วปิดมาแล้วอย่ามาถามนะตอนนี้ให้ถามไม่ถา ม, ม, ถ, ามถ้าไม่ถามก็เอาแค่นี้ก่อนขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ